ในานามของพระสงฆ์ทั้งปวงที่ได้มาอธิษฐานจิตเจริญพระพุทธมนตในพิธีบำเพ็ญกุศลฉลองครบห0สบปีของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพ บ, บกช่องเจ็ดก็ขอ อนุโมทนาต่อทุกท่านนำโดยคุณพลากรสมสุวนกรรมการผู้จัดการพร้อมทั้งกรรมการและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานนี้ด้วยวัตถุประสงค์ที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นการทำบุญ สองประการเพื่อวัตถุประสงค์สองประการหนึ่งก็เพื่อเป็นการทำบุญอุทิศให้ผู้มีส่วนในการสร้างในการก่อตั้งในการสืบต่อสถานีโทรทัศน์สีกองท บ, บช่องเจ็ดมาแต่เบื้องต้นซึ่งได้ล่วงรับไปแล้วนั้น เราทั้งหลายมีจิตใจที่ล้ำลึกนึกถึงคุณูปการของท่านเหล่านั้นซึ่งทำให้สถานีโทรทัศน์แห่งนี้มีวันนี้และพวกเราก็ได้มีวันนี้ก็เพราะคุณูปการของท่านเหล่านั้นเมื่อล้ำลึกนึกถึงก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ สำหรับท่านที่ล่วงลับไปแล้วเข้าลักษณะที่ว่าดื่มน้ำให้นึกถึงคนขุดบ่อทานผลไม้ให้นึกถึงคนปลูกต้นไม้ประการต่อมาที่เราได้เจริญรุ่งเรืองมาจนครบห้าสิปีก็ด้วยอำนาจแห่ง คุณงามความดีที่องค์กรที่บริษัทนี้ได้ดำเนินการเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติพระศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์มาอย่างต่อเนื่องยาวนานความสำเร็จใดๆในทางศาสนาถือว่าบวกด้วยสองอย่างก็คือหนึ่งความรู้ความสามารถ ของพวกเราทุกคนที่ช่วยกันขับเคลื่อนและสองบุญกุศล น, นำส่งเรื่องของความรู้ความสามารถเขาเรียกว่าความเก่งส่วนบุญกุศลที่หนุนส่งชาวบ้านเขาเรียกว่าเฮงคือสถานการณ์ที่เราไม่ได้เลือก ความเก่งความสามารถเราเป็นผู้กาหนดเป็นผู้เลือกเป็นผู้พัฒนาแต่บางทีสถานการณ์ไม่เอือ้อคนเก่งไม่มีโอกาสได้แสดงไม่มีเวทีให้แสดงกลายเป็นคนดีที่โลกไม่ต้องการก็มีแต่ถ้ามีบุญกุศล น, นำส่งก็จะทำให้มีเวทีแสดง เขาเรียกว่าบุญจัดสรรเหมือนกับเราพายนะพายเรือซึ่งเรือที่เราพายเนี่ยจะไปได้เร็วหรือช้าอยู่ที่ความสามารถของเราแต่ถ้าสถานการณ์เอือ้อคือพายเรือตามน้ําเรือของเราก็จะไปได้เร็วขึ้นถ้าพายเรือทวนน้ํา มันก็หนักกว่าปกติฉะนั้นความสําเร็จขององค์กรของบริษัทของคนจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเก่งความรู้ความสามารถอย่างเดียวขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เราไม่ได้เลือกแต่มันมาประจวบเหมาะตรงนั้นโบราณท่านจึงบอกว่าความสําเร็จ จึงอยู่กับปัจจัยภายในคือตัวเราด้วยปัจจัยภายนอกคือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยวันนี้พระสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์มงคลสูตรซึ่งข้อหนึ่งในการสาธยายนั้นเป็นภาษาบาลีว่าปติรูปรเทสวาโสจะปุเพจากรตปุญญาตา อัตสัมมาปณิธิจะเอตมังขลมุตตะมังมงคลคือเหตุแ ห, ห่งความเจริญสูงสุดเฉพาะจุดนี้มีสามประการหนึ่งปฏิรูปรเทสวาสะการอยู่ในถิ่นในที่ที่เหมาะสมเป็นปฏิรูปประเทศทำให้เราเจริญตั้งแต่ สถานที่ตั้งของสถานีโทรทัศน์ในจุดที่เหมาะสมก็เป็นปฏิรูปประเทศเราท่านทั้งหลายมาอยู่ในที่ทำงานในบริษัทที่มีความเจริญรุ่งเรืองเราก็พลอยเจริญเติบโตไปด้วยและอยู่ในยุคที่ผู้บริหารต้องการคนมีความรู้มีความสามารถอย่างเรา เราก็จเจริญรุ่งเรืองไปอีกนี่คือปฏิรูประเทศวาสะข้อที่หนึ่งข้อที่สองปุเพกะตะปุญญาตาบุญจัดสรรคือสถานการณ์ที่เรียกว่าเฮงที่เรียกว่าเอื้ออำหนวยการทำบุญไว้เสมอเสมอก็จะทำให้ปัญหาอุปสรรคที่จะหนักมันก็กลายเป็นเบา ความสำเร็จที่ควรจะมีน้อยก็มีผู้สนับสนุนอุปถัมภ์ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นดังคำกล่าวที่ว่ายามบุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่หน่ายก็รักบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็หน่ายฉะนั้น ท่านจึงให้ทำบุญเข้าไว้ถ้าอยู่ในช่วงขาลงบุญก็จะลดปัญหาเอาลงไปบ้างเหมือนกับไฟไหม้บ้านฝนก็ตกลงมาช่วยดับไฟดังนั้นการทำบุญไว้เสมอๆก็เป็นการประคับประคองให้ชีวิตของเราเจริญรุ่งเรืองดีงาม ประการที่สอัตสัมมาปณิธิแปลว่าวางตนไว้ชอบเมื่อเราได้อยู่ในปฏิรูประเทศที่เหมาะสมมีบุญสนับสนุนแต่ก็อยู่ที่การวางตนอีกเหมือนกันเราทำงานอย่างไรเราปฏิบัติหน้าที่อย่างไรจะสำเร็จมากน้อยก็อยู่ที่ อัตสัมมาปณิธินั่นก็คือมีหน้าที่อะไรทำให้ดีที่สุดทำเต็มความสามารถดังที่เขากล่าวว่าร้องให้สุดคำรำให้สุดแขนแผนให้สุดปีกขงจื๊อกล่าวว่าให้ขงจื๊อทำอะไร จะทำให้ดีที่สุดให้ขงจื้อเลี้ยงมา้าม้าจะต้องอ้วนให้ขงจื้อเป็นเสนาบดีกระทรวงการคลังเงินจะต้องเต็มคลังอย่าห่วงว่าใครไม่รู้ว่าท่านมีความรู้มีความเก่งมีความสามารถหรือไม่ห่วงแต่ว่าสักวันหนึ่งเมื่อเขาให้โอกาสท่านยกย่องท่าน ท่านมีความรู้ความสามารถสมกับที่ได้โอกาสได้รับการยกย่องนั้นหรือเปล่าการวางตัวไว้ชอบยังหมายถึงข้อที่สองนั่นก็คือเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเองในการทำงานใดก็ตามมันย่อมจะมีปัญหาคนฉลาดแก้ปัญหาแก้ข้อบกพร่องนั้นได้ แต่คนที่ฉลาดกว่าไม่ยอมให้บกพร่องให้มีปัญหาเขาเรียนรู้จากความผิดพลาดจากปัญหาในอดีตของคนอื่นไม่ทำซ้ำดูหนังดูละครแล้วย้อนดูตัวขำอุราหน้าหัวเต้นยั่วอย่างฝันบทเรียนธรรมมาจากทุกแหล่ง และไม่ต้องรอให้ผิดพลาดค่อยมาปรับปรุงดูจากหลายๆที่แม้แต่ในละครก็สอนตัวเราได้ประการสุดท้ายในการแสดงละครแต่ละเรื่องไม่ใช่จะมีแต่พระเอกนางเอกเท่านั้นเรื่องจะมีความหมายคุณค่าเมื่อทุก ส่วนทุกคนร่วมกันเป็นคณะแสดงไม่ใช่ใครสำคัญที่สุดอยู่คนเดียวทุกฝ่ายคนละไม้คนละมือร่วมกันทำให้เกิดความสำเร็จตัวประกอบก็สำคัญคนแบกกล้องก็สำคัญเพราะฉะนั้นทุกสิ่งพึ่งพากัน ตามหลักปฏิจจสมุปบาทสิ่งทั้งหลายอาศัยกันและกันเกิดขึ้นสถานีโทรทัศน์สีกองทัพ บ, บกช่องเจ็ดมีวันนี้ก็เพราะทุกตัวทุกตนทุกคนมีส่วนประคับประคองตั้งแต่ต้นมาจนปัจจุบันอังคารกราลยานพงศ์ได้แต่งบทโคลงว่า โลกนี้มิอยู่ด้วยมะนีเดียวนาทรายและสิ่งอื่นมีส่วนสร้างปวงธาตุต่ำกลางดีดุลยภาพภาคจักกรพานมิร้างเพราะน้ำแรงไหนทุกส่วนช่วยกันสร้างมิใช่เฉพาะเพชรมณนีเท่านั้นที่สร้างโลก เมื่อตรหนักอย่างนี้ความสามคัคคีความรักสมัครสมานดูแลซึ่งกันและกัน mm hmm. ก็จะทำให้บริษัทให้องค์กรนี้จเจริญเติบโตต่อไปเหมือนดังที่ได้เป็นมาทั้งนี้ก็ด้วยเหตุแห่งความจเจริญสามประการปฏิรูปรเทสวาศทำให้ตรงนี้ เป็นปฏิรูปประเทศน่าอยู่น่าทำงานปุเพกะตะปุญญาตาทำความดีให้มากเข้าไว้เป็นประโยชน์ต่อตนต่อสังคมต่อโลกและสุดท้ายพึ่งพาอาศัยตามหลักปฏิจจสมุป บ, บาทสามัคคีสมัครสมานย่อมจะเป็นพลังขับเคลื่อนต่อไปในทศวรรษต่ อ, ต, อต่อไป อาจมภาพในานามของคณะสงฆ์ที่มาอธิษฐานจิตเจริญพุทธมนต์จึงขอตั้งกัลยาณจิตอธิษฐานอ้างคุณพระศีรัตนตรัยและบุญกุศลทั้งปวงที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญร่วมกันในครั้งนี้ขอจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัย อุทิศเป็นส่วนกุศลไปให้แด่ผู้มีคุณูปการทั้งปวงที่ได้ล่วงลับไปแล้วนั้นขอได้โปรดอนุโมทนาบุญเพื่ออิทธวิบากสุขสมบัติที่ปยสมบัติในสัมปรายภพสมดังเจตนาปารพของท่านทั้งหลายทุกประการอันหนึ่งขออำนาจแทงบุญกุศล น, นี้เป็นพรย้อนสนองให้ทุกท่านทุกคน จงถึงซึ่งความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในชีวิตส่วนตัวครอบครัวการงานโดยปราศจากทุกโศกรโรคภัยอุปัตถวันตรายทั้งปวงถึงซึ่งความเจริญด้วยอายุวันนะสุขภพละปฏิพานธรรมสารสมบัติธนาสารสมบัติปราถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบได้ธรรมก็ขอให้ความปราถนานั้นๆ จงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จส ม, มโนรถมุ่งมาตรปราถนาทุกประการตลอดกาลและนานเทิน